สุทะมโนทวารวิถีเลยเนี่ในสุทธะมโนทวารวิถีเนี่ยตามตารางที่ได้จัดเขาไว้นี่นสุทธะมโนทวารวิถีหรือกามชวนะสุทธะมโนทวารวิถีหมายความว่าวิถีที่เกิดขึ้นทางใจโดยเฉพาะนี่ท่านแปลงี้ หมายความว่าวิถีที่เกิดขึ้นทางใจโดยเฉพาะแบงนั้นที่บอกเกิดขึ้นทางใจโดยเฉพาะในที่นั้นน่ยก็หมายถึงว่าไม่ได้เกิดต่อจากทางปัญจทวารเลยนะไม่ได้เกิดต่อจากทางจักขุทวารลวิถีโสตทวารลวิถีคานาทวารและวิถีชิวหาทวารวิถีกายะทวารลวิถีไม่ได้เกิดขึ้นทางนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าสุทธะมโนทวารวิถีทีนี้ว่าสุทธะมโนทวารวิถีเนี่ย เขแปลว่าวิถีที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นโดยวิถีที่เกิดขึ้นทางใจโดยเฉพาะใช่ไหมแปลว่าไม่ได้เกิดต่อเหมือนกับตถานุวัติกะมโนทวารวิถีไม่ได้เกิดต่อเพราะว่าถ้าตถานุวติกะมโนทวารวิถีนี่ก็เกิดต่อไหมเกิดต่อเกิดต่อเลยเกิดต่อปัญจทวารวิถีแต่ในที่นี้ไม่ได้เกิดต่อนี่เป็นอย่างนี้นะทีนี้ในสุดท่ามโนทวารวิถีเนี่ยท่านว่าโดยตามอวิธรรมันัย ก็ตามอัตถกถาแล้วก็ดีกาตามอวิธรรมมัจจสังขหาแล้วก็ตามอัตถกถาดีกาแยกเป็นสองส่วนนะตามอภิธรรมัตจสังคหาแล้วก็ตามอัตถกถาดีกาส่วนตามอวิธรรมัตจสังขหานั้นมีอยู่สองอย่าง2อย่างก็คือว่าวิภูตารม์อารมณ์ที่ปรากฏชัดในทางใจว่าโดยวิถีเป็นวิภูตารมณ์วิถีที่เป็นแตทารมณวาระไม่มีอตีตพวังนะสอง อวิภูตารมณ์วิถีเขาแปลว่าอะไรอารมณ์ที่ไม่ปรากฏชัดในทางใจทีนี้ว่าโดยวิถีเป็นอวิภูตารมณ์วิถีที่เป็นชวนาวาระเห็นไหมที่เป็นชาวนาวาร ะ, ไ ม, าาาระไม่มีอาการดุกะผะวังเออไม่มีอ ต, ตีปต่ผะวังขอโทษทีนี่เป็นอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าว่าตามว่าตามอะไรอภิธรรมมัถธสังขะนี่นะยมตัวนี้นะนี่เขาว่าตามอภิธรรมมัถธสังหะทีนี้ ถ้าหากว่าโดยอัตกถาหรือดีกาอัตกถาดีกานี่มีวิทยาประวติอยู่สี่อย่างเพราะนายอภิธรรมไม่ได้สังหามีวิทยภปรวติคือความเป็นไปของอารมณ์ทางมโนทวานามีแค่สองถ้าทางอัอ ต, อตกถาดีกานี่วิทยาปรวติคือความเป็นไปของอารมณ์ทางมโนทวานามีสี่สี่ก็คือว่า อ, าอาติวิภูตารม์อารมณ์ที่ปรากฏชัดในทางใจมากที่สุดว่าโดยวิถีเป็นอติวิภูตารม์วิถีที่เป็น ตถารรมนวาระใช่ไที่เป็นตทารรมนวาระสองวิภูตารมวิถีหรือวิภูตารมเนี่ยอารมณ์ที่ปรากฏชัดในทางใจนี่นะว่าโดยวิถีเป็นวิภูตารมวิถีที่เป็นชาวนาวาระที่เป็นชาวนาวาระให้สังเกตดูนะว่าประการต่อมาคือสาอวิภูตารมคืออารมณ์ที่ไม่ปรากฏชัดทางใจ ว่าโดยวิถีเป็นอวิภูตารมิถีโ ว, วดทพนาวาระก็คือมโนทวารลวชนะนั่นเองในที่นี้ก็คือโวดทพนาวาระไปสิ้นสุดตรงที่มโนทวารลวชนะสี่อติอวิภูตารมเก็แปลว่าอารมณ์ที่ไม่ปรากฏชัดในทางใจมากที่สุดว่าโดยวิถีก็เป็นอติอวิภูตารมิถีอันนี้เป็นอะไรเป็นโมคะวาระนียก็แยกขยายอย่างนี้ทีนี้ใน วิถีโดยเฉพาะอาติวิภูตารมวิถีก่ะวิภูตารมวิถีเนี่ยวิถีที่มีปัจจุบันนิพพานารูปเป็นอารมณ์นั้นน่ยจะต้องมีอตีแตพวังให้สังเกตดูนะถ้าหากมีปัจจุบันนิพพานารูป18เป็นอารมณ์เนี่ยนะวิถีนั้นก็จะต้องมีอะไรมีอตีตพวังมีวิถีที่เกิดขึ้นทางใจโดยเฉพาะนี่แหละ นะวิธีที่เกิดขึ้นทางใจโดยเฉพาะส่วนวิถีใดที่ไม่มีอาตีต่าผวังไม่มีอาตีต่าผวังวิธีนั้นก็จะต้องมีรับอดีตอนาคตนิพพานนรูปจิตเจตสิกอนิพพานนรูปที่เป็นเตกาลิกะคือการสานะือ อ, อ, อดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยแล้วก็นิพพานบัญญัติเป็นอารมณ์นี่จะเป็นงี้ที่เป็นเตกาลิกะนั่นแหละเออตรงนี้ตรงนี้มองออกแล้วนะ ลักษณะของการทําความเข้าใจในสุทธะมโนทวารวิถีให้ทําความเข้าใจในลักษณะเช่นนี้ให้ทําความเข้าใจในลักษณะเช่นนี้แต่ทำความเข้าใจอย่างไรก็ต้องบอกว่าเนี้ยอภิธรรมได้สังขาะมีสอง ม, มีวิศยาปรวัติสองถ้าอาตกระถาดีกา<ม>ก็วิศยาปรวัติมีเท่าไหร่มีสี่นี่แยกออกนะยมตัวแยกออกนะตรงนี้ชัดเจนไหม ออตรงนี้ต้องแยกแยกให้ชัดเจนด้วยอระการต่อมาอไปดูหน้าที่22่ดูหน้าที่22ในหน้าที่22ตอนนี้มาท่านมาขยายแล้วท่านขยายว่าสุดท่ามโนทวารวิถีเนี่ยนะที่เรียนทั้งหมดเนี่ยมี41ิวิถีตามในอัตถกาถาในะส่วนตามในของอภิธรรมมัทสังหะนั้นได้ขยายไปแล้วได้ขยายไปแล้วอาติวิภูตารมวิถีมี22วิถี วิภูตารมวิถีมี16วิถีอวิภูตารมวิถีมี2วิถีอติอวิภูตารมวิถีมี1วิถีนี่ท้านำมาขยายอติอวิภูตารมมียี่สวิถีก็คือว่าโดยที่เป็นตถารมหนวาร้านในหวิถีนะใน6วิถีก็คือว่าที่มีอตีแต่ผวังหนึ่ถึงหขณะ5วิถีที่มีกามชวนะ27เว้นโทสาสองหน้าหประเภทอันนี้ แล้วก็ไม่มีอตีแต่พวงนะังในหนึ่งวิถี1วิถีที่เป็นกามโชนะ27เว้นโทสาสองหนึ่งประเภทที่มีที่เป็นโทสาโชนะสองแล้วก็1ประเภทรวมเป็นเท่าไหร่เนี่ยหวิถี6วิถีกี่ประเภทหกวิถีกี่ประเภท12บสองนะสประเภทใช่ไหมก็ที่เป็นไม่มีอติที่มีอตีแต่วงังไงที่มีอตีแต่พวังซะห้า ที่เป็นกาลมชาวนาะยี่สิบเจดสัห้าประเภทที่เป็นโทษาชาวนะสะอีกห้าประเภทและที่ไม่มีอตีต่พระ ว, วังอีกหนึ่งวิถีในหนึ่งวิถีนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทใช่ไหมสองประเภทจะกลายเป็นเท่าไหร่สิบสองประเภทนะก็แยกไปย่งังไงเลยทีนี้ชาวนะวาระนี่มีสิบหกวิถีในสิบหกวิถีเนี่ยชาวนะวาระไม่มีอาคารตุ ก, กัดพวังสักแปดวิถีอ่ะแปวิถีเนะี่ยเป็นยังไงไม่มีอาคารตุ ก, กัดพ ว, วงังนี่เป็นยังไงก็ต้องบอกว่า มีอาตีตวัง1ถึงเขณะนี่วิถีที่เป็นกามชาณ่าบเดเว้นโทสะสนี่ประเภทไม่มีอาตีตะวังใช่มเยวที่เป็นโทสะโชนาอีกเที่ทุบทิเป็นโทสะโชนาสองนี่เประเภทเป็นเท่าไหร่ละใช่แล้วก็ไม่มีอาตีแต่วังอีกหนึ่งวิถีในหนึ่งวิถีเนี่ยที่เป็นกามชาายบเ็ดเว้นโทสะสองหนึ่งประเภทที่เป็นโทสะโชนาสองอีกหนึ่งประเภทรวมเป็นเท่าไหร่เนี่ย 1ิบหกไกกว่า16เลยเน่ส่วนชาวนาวาระมีอาคัรตุกาภพวังแตเนี้ยไปดูชาวนาวาระที่มีอาคารตุกพวังเนในชาวนวาระที่มีอาคารตุกพวังในแป8วิถีใน8วิถีเนี่ยมีตีตพรวังหนึถึงขณะในเวิถีหนึ่ถึงเจ็ดขณะที่มีโทสะชวนะ7ประเภท เห็นไหมอันนี้กกลุ่มโทสะโชนาทั้งนั้นเลยและไม่มีอตีแต่เพาวางนี่หนึ่งวิถีในหนึ่งวิถีเนี่ยที่เป็นโทสะชนาสองอีกหนึ่งประเภทรวมเป็นเท่าไหร่เนี่ยรวมเบ็ดเสร็จนะยีสิบสองวิถีที่เป็นโทสะชนาสองหนึ่งประเภทมะทีนี้ในยี่สิบสองวิถีรวมว่ามีทั้งหมด31ประเภท31ประเภทนะสาประเภทนี่เป็นยังไง วิถีที่ไม่มีอตีแต่พวังกี่ประเภทห้าประเภทมองไหมจากห้าบวกสามสิบเอ็ดก็กลายเป็นอติวิภูตารมวิถีสาสิบหกประเภทกี่วิถียี่สิบสองวิถีสาสิบหกประเภทนะยี่สิบสองวิถีสาสิบหประเภทไหนยังมองไม่เห็นเลยลองลุกขึ้นมาดูดิตรงไหนการการระบาดการกระบาดตรงไหนอ๋อ กาผิดหรือกาถูกกากากบาดผิดหรือถูกรวมมีอตีตาวางสามเอ็ดประเภทวิถีที่ไม่มีอตีตวาวังห้าก็รวมเป็นอติภูตาร ม, มิถีสามสิบหกทำไมก็ลองรวมดูมันได้ดีรวมมันได้เดี๋ยวต้องเช็คดูอีกทีถ้ า, างั้น เ, นเอางี้เช็คในหลักหน่อยในสรุปในอติมหันตาร ม, มิถีนะอดูในอติมหันตารมิถีอีกทีอดูในอติมหันตาร ม, มิถี อ, อ, อติ เออไม่ใช่อติวิภูตารมวิถี22วิถีดูใหม่นะเปิดไปดูหน้า90เปรียบเทียบตาทารมนาวารามีหวิถีถูกต้องนะในหวิถีนั้นน่ยที่มีอติต่พระวังหนึถึงห้าขณะนี่ก็หวิถีถูกนะไม่มีอติแต่วังหนึ่งวิถีรวมเป็นหวิถีนี่ฮะอติวิภูตารมวิถีชาวนาวาราไม่มีอาคารดูกับพระวัง อติวิภูตารมวิถีชาวนาวะละไม่มีอาคารดุกะบวังมีกี่วิถีมี8วิถี8วิถีที่มีอาคารดุกับผวังอีก8วิถีเป็น16บหกพอดีเลยนะชาวนาวะละไม่มีอาคารตุกับผวังแปดวิถีชาวนาวะละมีอาคารดุกับผวังอีก8วิถีรวมเป็น16วิถีนะนี่สิวิถีในที่นี้ยังยังไม่ได้แบ่งประเภทเดี๋ยวไปดูเขาแบ่งประเภทการแบ่งประเภทดูตรงนี้ว่าอัติวิภูตารมวิถีมี คือต่อนีในสุทธมโนทวารวิถีนี่สีิบเอวิถีนี่ตามในของอัตถิถาดีกาที่เราศึกษากันเนี่ยนะเพราะอติภูตารมน่ะคำว่าอติภูตารมเนี่ยเขแปลว่าอารมณ์ที่ปรากฏชัดในทางใจมากที่สุดจริงไหมเนี่ยในยีบสอวิถีเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ปรากฏชัดในทางใจมากที่สุดส่วน16วิถีิภูตารลมวิถีนี่เขาเรียกว่าอารมณ์ที่ปรากฏชัดในทางใจจะลงชาวนาวะ สนาติวิภูตา ร, รมิถียีบสองวิถีนั้นจะลงแตทารรมนาวาละแล้วก็สามก็อาวิภูตารมิถีอารมณ์ที่ไม่ปรากฏชัดในทางใจนี่เป็นโมคะวาละส่วนสี่อติวิภูตารมิถีอารมณ์ที่ไม่ปรากฏชัดในทางใจมากที่สุดนี่ลงอะไรลงโมคะวาละส่วนวิถีสามลงวุฒทพนาวาละโดยสรุปก็คือว่าอติวิภูตารมเป็นแตทารรมนาวาละวิภูตารมเป็นชาวนาวาละ อวิภูตารมเป็นวอดทะพนาวาระส่วนอติอวิภูตารมวิถีก็เป็นโมคาวาระอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรสุทธมโนทวารวิถีหรือเรียกให้เต็มต้องเรียกไงกามสุทธมโนทวารวิถีเนี่ยนะกามสุทธมโนทวารวิถีหมายถึงวิถีที่เกิดขึ้นเฉพาะกล่าวคือเฉพาะไหนสุดท่มโนทวารวิถีมีอะไรเป็นอารมณ์ที่มีปัจจุบันนิพพานรูปเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งแล้วก็ที่มีอะไร ละสุดท่มโนทวารวิถีที่มีอดีตอนาคตนิพพานรูปจิตเจดสิกอนิพพานรูปที่เป็นเตกาลิกะนิพพานและบัญญัติที่เป็นกาลวิมุตเป็นอารมณ์เนะถามว่าวิถีเนี้ยทําไมจึงชื่อว่าสุดท่มโนทวารวิถีเพราะเป็นวิถีเป็นมโนทวารวิถีที่ไม่ได้ไม่ได้เกิดต่อจากอะไรไม่ได้เกิดต่อจากปัญจาทวารวิถีอย่างนี้เขาเรียกเกิดขึ้นทางใจโดยเฉพาะท้าว่าโดย เมื่อเมื่อความเป็นอารมณ์แล้วอารมณ์ทั้ง6กไหมอารมณ์ทั้งอกไหมมาปรากฏในทางใจแล้วเนี่ยเป็นนั่นความเกิดขึ้นของวิถีเหล่านี้เกิดขึ้นทางใจโดยเฉพาะไม่เหมือนแต่าตุนวติกามโนทวารวิถีทีนี้ในอติวิภูตารม์วิถียีบสอวิถีเนี่ยนะวิภูตารมณ์สบหอาวิภูตารมณ์สองอติวิภูตารมอีกหนึ่งรวมเป็น4ี่สวิถีเนี่ยนะอติวิภูตารมวิถียีบสอวิถีเนี่ยเป็นตธารุนนาวารากีเท่าไหร่ หวิถีนะใน6วิถีนั้นไม่มีอติมีอติแต่วางเส้ห5วิถีไม่มีอตีแต่วาง1เป็นหกนะหวิถีกี่ประเภทกี่ประเภท12ประเภทเห็นไหมหกวิธี12ประเภทเห็นหรืยังชาวนาวาระมีอีกสิวิถีในชาวนาวาระสิวิถีเนี่ยอติภูตารมิถีที่เป็นชาวนาวาระไม่มีอาคารตุกะผะวังกี่วิถี8วิถีชาวนาวาระที่มีอาคารตุกะผะวังอีก8 8ดแป ใช่ไหมในสิบหกนี้แบ่งออกเป็นกี่ประเภทแยกไม่ออกแยกไม่ออกยอมศรีกี่ประเภทใช่แปดวิถีกี่ประเภทก่อนสิบหกประเภทแล้วแล้วที่ไม่มีอธีตะวังอ่ะกี่วิถีเออที่มีอธีตวังกี่วิถีเออเออขอโทษทีไม่มีอธิแต่พวั ง, วงใช่ไหมมีที่มีอธีตะวังหนึ่งถึงเจ็ดขณะเจ็ดวิถี อไม่มีอตีตวังอีกหนึ่งวิถีเป็น 8, แปดใช่ไหมแปดวิธีนี่แบ่งออกเป็นกี่ประเภทสิบหกประเภทนะท er นีนี้เชยนาวารามีอาคารดุกะผู้วางอีกแปดวิธีใช่ไหมในแปดวิถีเนี่ยในแปดวิถีนี่คือที่มีอตีตวังหนึ่งถึงเจ็ดขณะนี่เจ็ดวิถีที่ไม่มีอ1 1> ธิตวังอีกหนึ่งวิถีแปดวิถีนี่กี่ประเภทแปดประเภทใช่ไหมรวมจากของเดิมสิบหกเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ยมจซรี ชาวนาวาลระไงถามว่าที่เป็นชาวนาวาระที่มีอาการดุกะผู้ ว, ว, วังแปดวิถีเนี่ยแปดวิถีแบ่งออกเป็นกี่ประเภทฮะไม่เห็นเลยเห็นแต่มันมีอามัไม่มีอาแล้วก็ไม่มีตัวถามรวมไงถามรวมถามรวมกี่ประเภทแปดวิถีเอยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทเใช่ที่รวมเลย อลองลองดูใหม่สิดูใหม่นี่ดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่คืออย่างนี้ชาวนาวารานี่มีสิบหกวิถีอในสนิบหกวิถีนี่กี่ประเภทนะถามมี่ดีกว่าสิบหกวิถีนี่กี่ประเภทเอออย่างเนี้ยอันนี้ถ้าประเภทใหญ่ไหมถ้าหกวิถีนี่กี่ประเภทสีบนไงสิบสองประเภทเนะบวกยี่สิบสี่เป็นกี่ประเภทเนะี่ย สามสิกเนี่ยเขาเียกอติภูตารวิถีสามฉวประเภทแต่นี้ถามเราจะจําได้ไงตรงเนี้นยยอมตัวพอจะมองออกอยังงตรงเนี้ยพอจะมองออกแล้วใช่ไหมถ้าอยงังไงเนี่ยนี่นี่คือ<น>คือเขาแบ่งแบ่งวิถีแบ่งประเภทโดยสรุปก็คือยี่บสองวิธีนั่นแหละสามหกประเภทที่เป็นตถาธรรมนาวาลานี่หกวิถีในหกวิธีก็เป็นสิบสองประเภทที่เป็นชาวนาวาล่อีก สิบหวิถีในสิบหกวิถีก็เป็นยี่สิบสี่ประเภทใช่ไหมยี่สิบสี่บวกสิบสองประเภทสามสบหกประเภทอติภูตารมวิถีมีสามสิบหกประเภทมีกี่วิถีบอกมีย2ิบสองวิถีสามสิบหกถามว่าเป็นยังไงก็นับให้เขาตามนี้นับให้ท่านตามเลยเอาส่วนวิภูตารมวิถีสิบหกวิถี เป็นชาวนาวราร่ไม่มีอาการตุกับผวังแปดวิถีเป็นชาวนาวราร่ามีอาการดุกะผวังแปดวิถีเป็นสิบหกวิถีใช่ไหมเป็นชาวนาวาร่ไม่มีอาคารตุกาาะผู้ผวังแปดวิถีก็ที่มีอัติตะวังหนึ่งถึงเจ็ดขนาดเจ็ดวิถีไปแล้วที่มีที่ไม่มีอัติตะวังอีกหนึ่งวิถีรวมเป็นแปดวิถีนะในแปดวิถีเนี่ยที่มีอัติตะวังหนึ่งถึงเจดขนาดเขาที่เป็นกลางไม่ชาวนะยี่สิบเจ็ดเว้นโทวศาสสองเจ็ดเลยแบ่งออกเป็นเจดประเภทที่เป็น โทสะชาวนาสองอีกเจ็ดประเภทเจ็ดสองสิบสี่เนี่ยที่มียตีตะวังหนึ่งวิถีในหนึ่งวิถีออกอีกสองประเภทเป็นเท่าไหร่เนี่ยอืมเป็นสิบหกดีประเภทที่เป็นกามชาวนะยี่บเจ็ดเว้นโทสะสองหนึ่งประเภทที่มีโทสะชาวนาสองอีกหนึ่งประเภทส่วนชาวนะวารามีอาคารตุกกาพะวังอันนี้มีกี่ประเภทเนี่ยที่มียตีตะวังหนึ่งถึงเจ็ดขณะดเจวิถีที่ไม่มียตีตะวังอีกหนึ่งวิถีรวมเป็นแปดนะนะปดวิถีเนี่ยแบ่งแบ่งเป็นประเภทแบ่งยังไง ทำไมเอาเฉพาะที่มีโทสะชาวนาเท่านั้นเอออาคารตุ ก, ากาาัดผวางยมตุยสังเกตตรงนั้นเข้าไว้เพราะมีอาคารตุกัดผวังชาวนาต้องเป็นโทสะฉะนั้นในโทสะชาวนาเนี่ยเจ็ดวิถีนั้นแบ่งออกเป็นเจ็ดอะไรเจ็ดประเภทส่วนที่ไม่มีอตีตวาวังอีกกี่วิถีหนึ่งวิถีในหนึ่งวิถีนี่เป็นยังไงกี่ประเภทเป็นรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดแต่เนี่ยวิภูตารมวิถีมีมีกี่วิถี สิวิถีมีกี่ประเภทมีกี่ประเภท24ประเภทนะยีประเภท16วิถี24ประเภทนี่เป็นอย่างงี้นะตรงนี้ก็ไม่ต้องไปตามรายละเอียดอะไรมากนะไปหน้ายีสามเลยไปเก็บรายละเอียดไปเก็บรายละเอียดก็คืออ๋ออติอวิภูตาอวิภูตารมวิถีมีมีมีกี่วิถีอวิภูตารมวิถีมีสองวิถีอวิภูตารมวิถีสองวิถีมีกี่ประเภท จบเลยจบแล้วไหนว่าดูมาไหนว่าดูมาเห็นไหมเห็นไหมเดอะขาบอกดูมาอย่างดีเลยเราคิดว่าดูจบเอาวิภูตารมวิถีมีสองประเภทมีสองประเภทประเภทไหนก็ถ้าหากว่านั้นก็เป็นการมะพวังสืบเก้าไปเลยอต่อวิภูล่ะมีหนึ่งวิถีเท่านั้นเองอต่อวิภูตารมวิถีที่จริงใน ในวิถีทั้งสองวิถีนั้นน่ยเขแยกแยกมาก็เป็นอย่างนั้นโดยสรุปออกมาแล้วจริงได้สี่สิบเอ็ดวิถีนี่อา้าไปไปอีกหน้าเป็นหน้าที่ยี่สิบสามในหน้าที่ยี่บสามนี่ดูภาพอติต ว, ตาวาติภูตารมิถีตทธารมณาวาระเนี่ยอติวิภูตารมิถีตทธารมณวาระในอติภูตารมิถีเนี่ยตัทธารมณวาระเนี่ยนะดูนี่ดูภาพที่เขานั่นมาใน สุธามโนวทวาอติวิภูตาโรวิถีสามสิบหกประเภทเนี่ยนะทีนี้ก็ดูที่มีอติตาพวังสามสิเอ็ประเภทเนี่ยที่มีอติตาวังเนี่ยนะแต่ทารัมนาวาระที่เกี่ยวกับการมชาลนาหยิบเจ็ดมีกี่มีเท่าไหร่แต่ทารัมนาวาระบอกห้าใช่ไหมที่เป็นการมชาลนาหยิบเจ็ดจะมีห้าประเภทวิถีที่หนึ่งต้องดูวิถีที่หนึ่งถึงวิถีที่ห้าอ๋อใช่ไหม เนี่ยวิธีที่หนึ่งถึงวิธีที่ห้าก็บ่งบอกว่าที่มีอตีตะวังหนึ่งขณะนี่คือวิธีที่หนึ่งสองขณะเป็นวิธีที่สองสามขณะสี่ขณะห้าขณะนี่คือวิธีที่ห้าเห็นไหเป็นวิธีที่ห้านี่มองเห็นนะโดยสรุปก็คือว่าที่เป็นกาเมชาณายิบเจ็ดเนี่ยเว้นโทสะสองในห้าประเภทนี่เขาย่อไว้ให้แล้วขึ้นหนึ่งถึงห้าที่มีอตีตะวังหนึ่งถึงห้าเห็นนะ ส่วนตถาธรรมนาวร า, าที่มีอตีตวังที่มีอติตะผวังที่เกี่ยวกับโทสาโชานาอีกสองเนีอีกห้าประเภทในห้าประเภทนี่เขาก็ทําไว้ให้ดูแล้วเนี่ยที่มีอตีตะวังเนี่ยหนึ่งขณะแล้วก็จะถึงที่มีอตีตะวังห้าขณะอีกห้าประเภทรวมเป็นสิบแล้วนะเนี่ยมองเห็นไหมคะตอนนี้ดูในรายละเอียดอันในรายละเอียดตรงนี้ในวิถีแรกเนี่ยเป็นการมาผวังสิบ ในวิถีถ้าเราดูประเภทที่หนึ่งถึงประเภทที่ห้าก็ไม่แตกต่างกันแตกต่างกันตรงที่อตีตระวังทางมโนทวารในวิถีได้รับมีอตีต ว, วังวิถีนั้นรับอะไรนะรับอารมณ์หที่เป็นปัจจุบันนิพพานนรูปรับอารมณ์หกที่เป็นปัจจุบันนิพพานนรูปแต่ถ้าวิถีใดไม่มีอตีต ว, วังวิถีนั้นรับอะไรรับอารมณ์หที่เป็นอดีตอนอาคตนิพพานนรูปสิบแปดและธรรมอารมณ์อันได้แก่อะไรบ้างะ พกามจิตห้าสี่เจสิก้าห้าสองที่เป็นเตกาดิก า, กานั่นเองอารมณ์ก็ยังอยู่สามประเภทเหมือนกันนะทั้งที่มีอตีแต่พวังและไม่มีอตีต่วังคืออารมณ์นั่นก็เป็นอติถารม์อิทธามชัตตารมแล้วก็อนิฐานอารมณสภาวะของเขาก็ต้องเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นดูที่มีกามพวังสิบมโนทวารวัชณะหนึ่งกาเมชาณะยีบเจ็ดเว้นโทสาสองตาธารมณะจิตสิบอแล้วก็โรงกามพวังสิบเนี่ยนะในวิถีนี้เป็นอติ พิภูตาธรรมวิถีตถาธรรมนวาวะที่มีอติตทว่างหนึ่งขณะที่เป็นตถาธรรมนาวาลาใช่ไหมที่เป็นตถาธรรมนาวาละในวิถีนี้ถ้าว่าโดยบุคคลเหน็นอะไรที่เขาย่อเอาไว้เนี่ยบุคคลแปลคือปู่สี่อริยบุคคลสนะี่มออย่งนีปุถุชนสี่นั่นเองอริยผลบุคคลสี่ว่าโดยภูมิล่ะวิถีนี้เกิดในภูมิไหนนายยมสริกา ม, มาภูมิสิบเอ็ดว่าโดยองค์ธรรมปรมัตย์ ชัดเจนตรงนั้นนะฮะรวังแรกระวังหลังได้10ส่วนวิถีจิตคือมโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งกามช่ชานะ27เว้นโทส 2, ะสองตถาธรรมนาจิต11แล้วแต่อะไรถ้าใส่ตถาธรรมณจิต1ิต้องใช้คาอะไรว่าต่อแล้วแต่ชนิดของอารมณ์นะก็ต่อตรงนั้นด้วยแล้วแต่ชนิดของอารมณ์ทว่าโดยอารมณ์ล่ะรวังแรกรวังหลังมีอารมณ์หกที่เรียกว่ากรรมกรรมะนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์ที่รับมาจาก ชาตวาริกามราณาสันนธาชาวนะในพบก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์วิถีจิตในวิถีนี้มีอติอิะอิทธามชาตาหรือนิทะอารมณ์6นื้อที่เป็นปัจจุบันนิพพานนรูป18คืออะไรคือนิพพานนรูปที่ดียิ่งนิพพานนรูปที่ดีปานกลางนิพพานนรูปที่ไม่ดีที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าไหมที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเป็นอารมณ์นี่ต้องชัดเจนอย่างนั้นนะจะมีอติตาวังวิถีที่มีอติตาวัง สองสามสี่ห้านั้นเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวเกี่ยวกับอะไรเกี่ <_ d Exchange> ยวกับอารมณ์นั้นปรากฏนะปรากฏแล้วมองใช่ไหม <_ d isk> การปารบอารมณ์นั้นแปลว่าอารมณ์นั้นผ่านมาใช่ไหมผ่านม า, า, นมาอาติตะวังนี้ก็ปแปลว่าอะไรนะเขาแปลว่าวอะไรคําว่าอาติตะพวังนี้หมายถึงอะไรยมำจลีอตีตะวังหมายถึงอะไรย้ำตัวจําได้ไหม ทยังจิตที่น้องเรื่องอยู่ที่ใหญ่แล้วไปคนละเรื่องแล้วโอ้ยจิตที่ประจพบอือไม่ใช่เลยไ ป, ป, รไปเรื่องเลยคือที่ลูบารุงมามาถูกลยผ่านไปแล้วหนึ่ณะ ท, ท, ท, ที่ยังไม่เข้าสู่คออตีแต่วพวังนี่ก็หมายถึงอารมณ์นั้นผ่านไปแล้วอารมณ์นั้นผ่านไปแล้วใช่ไหมผ่านอะไรไปคืออารมณ์นั้นผ่านไปแล้ว แต่อารมณ์นั้นยังไม่เข้าคลองของมโนทวารใช่ไหมไหนมโนทวารอยู่ตรงไหนตัวมโนทวารได้แก่พระวังคุปเชทะมองเห็นไหมาตามอัตถกาตามดีกาบอกมันผวังคุปเชทะอันนี้อติตะวังเป็นพระวังคุปเชทาหรือยังก็ยังไม่เข้าสู่คลองของมโนทวานเห็นไหมยังไม่ปรากฏในมโนทวานอย่างนั้นเถอะแต่อารมณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วผ่านไปแล้วแต่ยังไม่ปรากฏทางมโนทวาน นี่เป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้นะทีนี้ถ้าหากว่าที่เป็นหน่อยงนี้กลุ่มเหล่านี้ที่เป็นการมาชาวหน้ายีใช่มถ้าว่าโดยบุคคลได้บุคคล8ทว่าโดยภูมิในการมาภูมิ11บเอว่าโดยอารมณ์ตามลําดับว่าโดยวิถีจิตตามลําดับวิถีนี้ทั้งหมดที่อยู่ในวิถีนี้มีอติอิทธาอิทธามชตาเรื่อนิทะอารมณ์โลกที่เป็นปัจจุบันนิพพานนรูปนะว่าโดยวัตถกุก็คืออาศัยอะไรเกิด ทั้งรวังหน้าระวังหลังทั้งวิถีจิตอาศัยหัรทย่วัตถุกเกิดอย่างเดียวอ่าง น, นั้นหนึ่งก็ลุยไปตามลําดับอย่างนี้อภรรการต่อมาก็คือว่าที่เป็นโทส่าโชนะสองห้าประเภทห้าประเภทก็คือที่มีอตีตวังก็เหมือนกันแต่ว่าถามว่าในวิถีที่เป็นโทส่าโชนะในรับอารมณ์กี่ประเภทเนี่ยกี่ประเภทกี่ประเภทเนี่ยนะในวิถีเนี่ยได้บุคคลเท่าไหร่บุคคลหกเห็นไหม เว้นไครนะเว้นไครเว้นพระนาคากับพระอาหารหันต์ที่เป็นโทส่าโชวหน้านี่นะในวิธีนี้มีอารมณ์เท่าไหร่มีอารมณ์กี่ประเภทดูตรงไหนตทารมนัจิตมีสองดวงคืออุเบกขาตถารรมนัจิตหกดวงใช่ไหมอุเบกขาตทารรมนัจิตหดวงคืออุเบกขาสันติรณจิตสองแล้วก็มหาวิบากอุเบกขาสี่หกดวงนี้รับอารมณ์ได้เพียงสองอย่างเว้น อติตอารมณ์เ อ, อ่ออติธาารมณ์เว้นอารมณ์ที่เป็นอตีธาารมณ์อารมณ์ดีปานกลางและอารมณ์ไม่ดีแต่โทสาเฉลหน้เกิดขึ้นวิธีนี้ทําไมไม่มีอาก า, อ า, ารดูครับผู้วาเพราะว่าตถาธรรมนาที่เกิดต่อนั้นไม่ใช่เป็นโซมนตาตถาธรรมน้าใช่ไหมไม่ใช่เป็นอุเบกขาตถาธรรมน้าหกดวง ฉะนั้นในหกดวงนี้จึงรับอารมณ์ที่ไม่ดีก็ได้รับอารมณ์ดีปานกลางก็ได้ฉะนั้นถ้าโทสะชาวนาเกิดขึ้นก็สามารถที่จะเป็นอนันตระปัจจัยให้กับอุเบขาเวทนากล่าวคือะวังที่เกิดต่อได้ไม่ขัดงั้นเพราะว่าตัวตาทารนะที่เกิดต่อ น, นั้นไม่ไม่ได้เป็นโสมนนะอารมณ์เป็นตัวกาหนด อารมณ์เป็นตัวกําหนดอะไรโยมตุย๋ยเป็นตัวกําหนดตถารรมนะเนี่ยน่าก็ดูตรงนี้นี่ห้าประเภทนะที่เป็นโทสัจโชนะเนี่ยดัวตีตะวังเป็นประมาณนี่แน่ตีตะวังเนี่ยดูอะไรบอกอารมณ์นั้นปรากฏในมโนทวารตรงไหนก็ดูตรงนั้นเกิดขึ้นแล้วจริงแต่อารมณ์นั้นยังไม่ปรากฏใชแต่มาปรากฏตรงที่ผวังคขจระเออผวังคูป่ปัจเจธาใช่ไหมเนี่ยเป็นอย่างไง แต่ทางมโนทวานนี้อารมณ์มาปรากฏนี่ก็เห็นยากนะดังปัญจาก็ยากอยู่แล้วใช่ไหมทางมโนทวานยิ่งยากเอ๊ะปรากฏยังไงไออย่างสมมุติเนี้ยดังที่ได้กล่าวเคยไปสนทนา่านนะท่านบอกว่าเหมือนที่เคยพูดน่ะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะอารมณ์ที่มาปรากฏทางมโนทวานเนี่ยต้องนับเนื่องเป็นธรรมารมณ์ก็พูดอย่างนี้นน่ต้องนับเนื่องเป็นธรรม <c oughs> <c oughs> <c oughs> า ร, รมณ์แล้วบอกว่านับเนื่องได้ยังไงวิธีว่ายอย่างเนี้ยก็บอกนั้นเลย ต้องไปดูในดีกาดูอะไรประกอบแล้วต้องนับเนื่องวินธรรมมาหรอกอ่าแล้วจะต้องบอกว่าอารมณ์เท่าไหร่ก็บอกว่าอารมณ์หกอา้า <c oughs> แต่ถ้ามาปรากฏนะับเนื่องท่านว่างันะ้นะนะนะีิมัติเป็นยังไม่ได้ดูหลักฐานชัดๆทีนี้อ่ประเภทที่ห้าก็เป็นโทส่าโชานะอยู่นั่นแหละ <c oughs> นี่มีอธิตะวังห้าก็ห้านั้นแปลว่าอะไรเนี่ยทําไมมีอธิตะวังทั้งห้าก็บอกว่าอารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วผ่านไปผ่านไปผ่า น, านไปยังไม่เข้าสู่คล อ, องของมโนทวารใช่ไหม ยำอมตัก็ดูตรงพรวังคู่ประเชทธาดูทอทหารเข้าไว้ก็แล้วไปนั่นแหละอารมณ์เข้าคลองตรงนั้นเลยแท้จริงก็คือพวังก็จะระนะนี่แปลว่าปรากฏแล้วแต่มโนพวังคุประเชนี่ที่ท่านในดีกาที่ท่านจัดว่าเป็นมโนทวานนั้นก็เพราะเป็นอะไรเป็นประตูใกล้ชิดเป็นช่องทางใกล้ชิดที่ทำให้วิถีจิตเกิดเพราะหลังจากตนเองดับไปอะไรเกิดต่ออะไรเกิดต่อรับ มโนทวาราวชนะมโนทวาราวชนะใช่วิถีจิตไหมนั่นแหละเขาจึงเรียกว่าพระวังคุปเจตถ้าเป็นตัวมโนทวารแต่ในอภิธรรมมัตสังฆห์ของเราบอกว่ามโนทวานุ่งทําได้แก่พระวังพจิตสิบเก้าในหลักสูตรชั้นจูฬาภิธรรมพิกโทนะปริเชตที่เท่าไหร่ปริเชตที่สามว่าโดยทวารสังฆห์แต่ท่านในดีกาท่านมาขยายสัมทับลงอีกทีบอกว่าไอตัวมโนทวารจริงๆคือมโน รวังคูพิชัยท่านนะอันนี้เห็นไหมทําให้เห็นใกล้ชิดขึ้นใช่ไหมก็มเป็นอนันตระสมนันตระอนันตรูปนิสสยาให้กับมโนทวารวัชชนะท่านจึงจัดวันนี้คือตัวมโนทวานนอกนั้นไม่เรียกถ้าไม่เรียกมโนทวารเรียกว่าอะไรพหวังนอกนะั้นเยมซลีเรียกว่าอะไรดีือเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าทวารลวิมุติ พ้นจากการเป็นมโนทวารพ้นจากการเป็นจักขรทวารโซตตาทวารชิวหาทวารกายทวารและมโนทวารฉันว่างนั้นแต่จะไปบอกว่าพระวังคุปเชตถ์พ้นจากทวารนะเขาเป็นตัวมโนทวารน่ากินเงินหนึ่งตึกเห็นไหมอย่างเงี้ยจักรทวารจักรทวารนี่ตัวจักรประสาทพ้นทวารไหมพ้นไหมเอาดีๆเอาดี ไม่พ้นจากเทวานไหมถ้าอย่างนั้นตัวผวางผู้ปฏิเจติท่าก็ต้องไม่ก็ต้องเป็นเทวานเป็นเทวานในขณะนั้นต้องถือว่าไม่พ้นมองเห็นยังไงตรงนี้ยมจลีลืมหรือมองถ้ำบ ตัวจักขคูทวานงธรรมได้แก่จักขครปราศาสตร์เป็นต้ น, น, น, ะะ น, น, นเนี่ยนะฮะถามว่าในขณะที่จักขคูจะครูปราศาสตรเนี่ยเมื่อเขาเป็นจักขคูทวานเนี่ยแล้วเขาพ้นจากทวานไหมโสตาโสตปราศาสตร์เนี่ยในขณะที่เป็นโสตวทวานเนี่ยเนีขาพ้นจากทวานไหมเขาเป็นตัวทวานเลยจะไปบอกเขาพ้นได้ ย, ไยังไงใช่ไหมเขาก็เป็นตัวทวานอยู่แล้วเขาก็เป็นตัวทวานอยู่แล้วทีนี้ไอ้มันไอ้พระวังคูป่ปเชทะธาเนี่ย ในขณะที่เขาเป็นมโนทวารเนี่ยที่เขาเป็นมโนทวารเนี่ยถามว่าในขณะนั้นเขาพ้นจากทวารไหยเขาเป็นมโนทวารก็ต้องเป็นตัวมโนทวารจะไปบอกว่าพ้นจากมโนทวารไม่ได้ก็เหมือนกับจาก็เหมือนกกัขูทวารเนี่ยเขาได้เป็นเขาได้เป็นอะไรไปเกิดในทวารไหมล่ะเขาได้ไปเป็นตัวอะไรไปเกิดในทวารไหมมันไม่ได้เป็นเอ่อต้องลองแยกให้ออกที เป็นทวารวิมุตต์ไหมเออมันต right? ้องตอบตรงนี้ขาดก่อนใช่ไหมแล้วมันจะได้ตามลงไปถึงมโนทวารได้ตัวมโนทวารได้ถ้าเขาเป็นมโนทวารแล้วจะบ่อยบอกว่าเขาเป็นทวารวิมุตต์เนี้ยไอ้คาว่าต้องเข้าใจคําว่าทวารวิมุตต์คือเขาไม่ได้เป็นจักขู่ทวารไม่เป็นโสตทวารไม่เป็นคานณทวารไม่เป็นชิวหาทวารไม่เป็นกายยทวารไม่เป็นมโนทวารคือพ้นจากทวารทั้งหกนี่เลยอย่างนี้เขาเรียกทวารวิมุตต์แต่จิต อจิตที่พ้นจากทวานเากาไม่เป็นทวาจิตเอ้าไม่เป็นอยู่แล้วก็คือัไอ้เทาคว่าทวานิจิตเป็นมโนทวาใช่อันนี้คำถามคือเขาถามอกว่าพ้นทวานหรือไม่พ้นเค้าไม่ได้พ้นแลไม่พ้นคือเขาเป็นตัวทวานถ้า ง, งั้นจากขูประสาทเนี่ยเป็นเทวานหรือพ้นจากทวานทวาแล้วก็ไม่พ้นจากเทวาเพราะว่าเขาเขาไม่ได้เกิดที่มโนเขาอยู่ตรง เออแปลกนะคิดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยอความคิดอย่างนี้แปลกแปลกประหลาดเลยเนี่ยใครว่าแปลกประหลาดไหมเขาเขาถามอย่างนี้ถ้าบอกว่าประตูคือเขาเป็นตัวประตูเด็กเขาไม่เป็นตัวที่อ้าวเอองั้นชัดเลยเขาถามนี้ว่าตัวมันอคำว่ามันคําว่าทวานรนึกแปลว่าประตูใช่ไหมถามว่าเราจะบอกว่าเป็นประตูเนี่ยเราจะบอกพ้นจากประตูได้ไหมไม่ได้กันชัดแล้วทางนั้นน่ะ อันนี้เขาไม่ได้ไปบอกว่าจิตที่เกิดในหรือจิต ท, ที่เข้าออกในประตูนั้นในทวาร น, นั้น <eurs> คือในความเข้าใจของโยมสุรีนั้นหมายถึงทวาริกจิตไอทวาริกจิตเขาแปลว่าจิตที่เกิดในทวารไม่ใช่เป็นจิตที่พ้นทวารไม่ใช่เป็นตัวทวารแปลว่าจิตที่เกิดในทวารเหมือนคนกับประตูเนี่ยถ้าก็ถามว่านี่ใช่ประตูไหมประตูไหมก็ใช่คนอนะใช่ประตูไหมละ่ะไม่ใช่แต่เข้าออกประตูคนละเรื่อง ก, กันแต่เนี้ยเขาไม่ได้ถามว่าเป็น เอาเอาตัวคนเข้าออกเขาถามเป็นตัวประตูอะตัวประตูอะในที่นี้เขาถามตัวทวารเช่นจักขคูทวารเนี่ยเป็นที่เข้าออกของวิถีจิตทางจักขครทวารเนเป็นที่เข้าออกของจิตสี่สินั้นโซตาทวารคานาทวารคิวหายทวารกายยทวานไมไม่ได้นั่นเลยแม้แต่มัโนทวานก็เหมือนกันมันโนทวานไม่ได้เป็นไม่ได้ไปทำหน้าในขนาดนั้นเขาไม่ได้ไปเกิดในทวาร เป็นตัวทวานเลยทีเดียวแหละและก็ไม่ใช่เป็นทวารวิมุตต์เขาจะพ้นได้ยังไงถ้าเขาพ้นทวเทวานอ้าวเขาก็ไม่มีทวานเมื่อไม่เป็นทวานแล้ววิถีจิตจะเกิดได้ยังไงเอาอย่างนี้ถ้าไม่มีพวังคุปเฉชาวิถีจิตเกิดได้ไหมเกิดได้ไหมอ้าวไม่ได้เห็นไหมถ้าไม่มีพวังคุปเฉธาเนี่ยมโนทวารวชนะเป็นต้นก็เกิดไม่ได้ก็แปลวิถีจิตจะเกิดในทวานนั้นไม่ได้เลย ไม่ใช่ชั้นแฝดแฝดตว่าไม่ใช่ตวานเออไม่ใช่เป็นตัวทวานใช่เขา่เป็นตัวทวานคีใช่แต่ถ้าาว่าบอกว่าทนจาจะว่าไงอ่ะทวารลิกจิตคดเลืองเลยทวารลิกจิตเขาแปลว่าจิตที่เกิดในทวานคือเาเป็นเาไม่ได้เป็นจิตที่เกิดในทวานแต่เาเป็นตัวทวานเป็นมนษทวานด้วย ที่เขาถามบอกว่าจิตที่พ้นคําว่าทวารวิมุตติเขาบ่งบอกถึงตัวที่พ้นจากทวารเป็นทวารวิมุตติจิตคือเขาเป็นทวารวิมุตติจิตใช่สิเป็นตัวทวารวิมุตติจิตนั่นแหละจิตที่พ้นจากทวารเลยเรือไม่ใช่เขาไม่ใช่เป็นทวารแล้ววิมุตติจิตเขาเป็นตัวทวารแต่เขาเป็นมโนทวารมองเห็นใช่ไหมคําว่าเป็นมโนทวาร เป็นตอนไหนอ่ะเป็นตอนไหนอ่ะเป็นตอนไหนยมศรีเป็นตอนไหนก็พเขาไม่เข้าอยู่ในลมกมอะไรเขาเป็นวิมุตติจิตเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ข้างในในวิถีจิตนี้เขาพ้นจากวิถีจิตนี้มีคว่าอะไรคำว่าทวารใช่ไหมทวารวิมุดก์เขาแปลพ้นจากอะไรไม่ใช่พ้นจากการเป็นวิถีจิตนะไม่ใช่ไม่ใช่พ้นจากความเป็นจิตนะ ไม่ใช่ เ, เขาพ้นจากความเป็นเท ว, วานเรื่องคำว่าเทวาริมุติเนี่ยแปลว่าพ้นจากการเป็นเทวารก็เหมือนอย่างนี้นน อ, อ่ะก็หลักฐานว่างงี้นะใครไม่เป็นนีะเป็นได้ไงก็เขาเป็นตัวเทวานไงเออถามว่าอ๋อ อเมื่อกี้ยันคืออย่างนี้ถามเมื่อกี้โยมเียถามยันว่าไงเนี่ยถามว่าเป็นวิถีมุตตะจิตไหมเาไม่ได้เป็นเาไม่อยู่ในิจิตกาก็ต้องเป็นวิจิติอ่อนั้นเป็นแต่ว่าพอเีนที่อาจารย์ถามว่าเป็นทวาิยุทธ์ไหมเนี่ยคำว่าทวานิยุทเนีย่ยที่าว่าหมายถึงว่าวิถีมุตตะจิตอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เลยเร ใช่ทั้งเงินชาติเนี่ยเนี่ยเอาอันนั้นใช่ทีถ้าถ้าอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าบอกว่าเพียงยืนยันว่าถ้าอาจารย์ว่าเไม่เข้าใจวเขาเป็นไม่ไมเป็นสวรรค์มิุติการทำสวรรค์มิมุติยีรนึกถึงว่าเป็น อ๋อคนละเรื่องเลยทั้งนั้นคนนั่นตรงนี้บ่าน น, น, นึกเยชุด ก, ก, ก่อนตั้งแต่เดุดก่อนเนี่ยเนเร็วก็ไม่เข้าใจก็อนนี้คือนนอันที่ีถามม้นแล้วแล้วะอายที่ขบกลไปแล้วไม่ใช่อย่างนี้นีน่ที่พูดมานี่หมายความว่าอันนี้ตามอันนี้ตามนั้นนะตามดีกาเขาดีกาเขาเชี่ยหเห็นถ้าอย่างนั้นมันจะปนกันท่ า, านบงั้น เออมองเห็นงัมันจริงๆด้วยนะเดี๋ยวมันจะปนกันคือในที่นั้นในอัตถกถาท่านไม่ได้แยกเขาไว้ไงไม่ได้แยกท่านกล่าวรวมๆเข้าไว้ใช่ไหมกล่าวรวมๆเข้าไว้ทีนี้เราก็มาแยกตามดีกาก็เออชัดขึ้นหน่อยเต่อไปไม่มีอตัติแต่ผู้วังนะแต่ทารมณะที่ไม่มีอตัติแต่วังอ่ะที่เป็นกามชาวนะยีบเจ็ดเว้นโทสะนี่อีกหนึ่งประเภทหนึ่งประเภทอ่ะดูหนึ่งประเภทก่อนในหนึ่งประเภทเนี่ย เป็นการมาผวังสิบเช่นเดิมการปรชย 7, ายิตแตต่างกันตรงที่ว่าแต่ธารัณ์ก็11อารมณ์ก็3ชนิดบุคคลล่ะได้ได้แเท่ากันกับที่มียตีแต่วังนั่นแหละปุุชนสีอริยผลบุคคลสว่าได้ภูมิก็กคือในการมาภูมิ11นะว่าโดยอารมณ์ในวิถีที่เมียตีแต่วังเนี่ยส่วนตัวพวังหน้าและหลังก็รับเหมือนกันน่ะเหมือนเดิมอะ่ะรับลมหกที่เร็วกว่ากรรมกรรมนิดคตินิมิต ที่ชาวาริกะวรณาสนาเจ้นะรับมาจากพอก่อนมื่อไจะตายเป็นอารมณ์ส่วนวิถีจิตมีอารมณ์หกที่เป็นอดีตอนาคตนิพพานรูป18และธรรมอารมณ์อันได้แก่กามจิต5 4เจ152อง น, นิพพานรูปสิที่เป็นเตกาลิกะเตกาลิกาในที่นั้นคือเป็นอดีตอนาคตและก็ปัจจุบันในวิถีนี้ยังรับการ ม, มารำเป็นอารมณ์ เพราะเป็นแตถาราบนวาวะลต่างตรงที่ไม่มีอตีแต่อพอวงังรับอารมณ์ก็ต้องรับสามชนิดนะที่เป็นอติอิธาอิธามาชาตะแล้วก็อนอิธาเพราะแตถาราบนามีสิบอ็ดนะเป็นไปตามชนิดของอารมณ์นั้นๆทีนี้ถามว่าในวิถีนี้ไม่มีอตีแต่วงังเพรา ะ, าะ ร, รับอะไรรับอดีตอนาคตเป็นต้นเนี่ยรับได้การสมปัจจุบันด้วยก็แยกออกนะแยกแยกให้ออกว่าอะไรเป็นอดีตอนาคต แต่ถ้าเป็นธรรมอารมณ์นี่รับได้แค่กามจิตเนะเพราะในวิถีนี้ดังที่ได้กล่าวว่ามีอะไรเป็นอารมณ์มีกามธรรมถ้าในส่วนของการมารำเนี่ยทางด้านของในจุลเอกเนี่ยท่านว่าไงปริตตารมนาธรรมสภาวะธรรมทั้งหลายที่กระทาปริตตธรรมให้เป็นอารมณ์ในวิถีนี้ยกขึ้นมาได้ถ้าคนที่ชำนาญในเรื่องของวิถีก็ยกวิถีนี้ขึ้นมาเลยนะครับว่าปริตารมนาธรรมเนี่ยสภาวะธรรมทั้งหลายที่กระทาปริตตธรรมให้เป็นอารมณ์มีอยู่อะใช่ไหม ถามว่าในขณะนั้นทำไมจึงเรียกกา ร, รมจิตเป็นปริตะธรรมคืออารมณ์ที่มีอนุภาพน้อยมีอนุภาพน้อยย่อมต๋ยมองเห็นไว้ออนุภาพน้อยอยังไงเอาอนุภาพน้อยอยังไงในขณะที่รับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับสัมผัสรับธรรมอารมณ์ที่เกี่ยวกับกา ร, รมจิตเขาเรียกว่าอารมณ์เหล่านี้น้อยมีอนุภาพน้อยถามว่าอนุภาพน้อยขนาดไหนรู้ไหมเอายกตัวอย่างเช่นถ้ากุศลเกิด ก็ให้ผลเป็นประมาณน้อยเมื่อเทียบกับมหาคตะใช่หหรือถ้าเกี่ยวกับในเรื่องของอกุศลเกิดน้อยไหมอย่างกรณีแบบนี้น้อยลักษณะงี้เ็าเรียกมีอนุภาพน้อยผลก็น้อยอายุที่ได้รับก็น้อยแต่น้อยนี่โอ้โหยาวนานมากนืมองออกใช่ไหมน้อยนี่ยาวนานมากไม่ใช่น้อยแบบธรรมดาน้น้อยแบบยาวนานมากน้อยแบบไหนน้อยแบบยาวนานมากยเมื่อกี้ซ้ากันันนั้นเนี่ย ที่อัดเทฟเสซ้ําปล่านี่ถึงสามเจ้ทีอย่างที่พูดมาได้ถึงเนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวอ๋อของอือใช่ใช่ซ้ําไปซ้ํำมาไปไรแล้วประการต่อมาเนี่ยตทาธรรมนะที่ไม่มีอธิเตวังที่เกี่ยวกับโทส่าเฉลหน้าเนี่ยสองเนี่ยหนึ่งประเภทหนึ่งประเภทที่เกี่ยวกับโทส่าเฉลหน้าก็บุคคลก็ได้บุคคลหกอยู่แล้วไม่ต่างกันเลยนะนี่ไม่มีอธิเตวังกับละปฎีณาคตนั่น อริยปุตตชนสี่อริยผลเบื้องต่ำสองรู้จักอริยผลเบื้องต่ำสองไหมคือโสดาปฏิผลและสกะทาคามีผลว่างเ้ยนะได้สองนะได้สองทีนี้อารมณ์กี่ชนิดอารมณ์เหลือสองและอิทธิธรรมัมชาตากันนิฐานแล้วเพราะเป็นตาทารับนะหนะนี่ไม่มีอธิเตวังก็รับอารมณ์6ที่เป็นอดีตอน า, นาคตนิพพานนรูปและธรรมอารมณ์มันได้แก่กามจิตห้าสี่เจ็ดสิบห้าสอง อันนีรูปโสิบที่เป็นเตกาลิกะคือการนั่งสาวนั่นแหละนอกนั้นก็นไม่แทบไม่ต่างทิศ ป, ปัจจุบันอดีนานาตปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันเออดูตรงนี้วิถีเนี่ยกับวิถีที่ไม่มีอตีต้วางที่เป็นกามเชเฉลนะยีิบเจ็ดนี่ต่างกันยังไงต่างกันตรงไหนดูจุดต่างนี้หนึ่งต่างที่กามะพวังสิบนี่ไม่ต่างใช่ไหมไม่ต่างต่างตรงที่เฉลนะ โทสะชาวนะส่วนวิธีที่ไม่มีอตีเตวัาางอีกประเภทหนึ่งนั้นก็เป็นกามชนะยีบเจ็ดอันนี้เป็นโทสนะชาวนาและตาทารามนะต่างกันตรงอารมณ์ชัดเลยแต่เนี้ยอารมณ์สามกับอารมณ์สองนะดูตรงนั้นนอกนั้นก็ไม่มีอะไรพ่านชัดไว้ตรงเนี้ยเห็นชัดเจนนะนะส่วนการกําหนดเรื่งต่างเอาต่อไปดูหน้าที่เท่าไหร่ยี่บสี่ใช่ไหมดูหน้าที่ยี่สิบสี่ สุดท่มโนทวารวิถีอติภูตารมวิถีชาวนาวาระไม่มีอาคารตุกะผวังใช่ไหมในวิถีนี้ไม่มีอาคารตุกะผวังนะย้ำตัวสังเกตดูถือว่าอันนี้ไม่มีอาคารตุกะผวังที่เป็นชาวนาวาระมีอตีแต่ผวังมีอตีแต่ผวังไม่มีอาคารตุกะผวั ง, วงที่เกี่ยวกับกาบาชาวนะยีบเจเว้นโทศาสสองกี่ประเภทเจดประเภทนะเจ็ดประเภทเจประเภทในเจ็ดประเภท ที่มีอตีตวางหนึ่งขณะสองขณะสามสี่ห้าจนถึงกี่ขณะกี่ขณะจนถึงเจ็ดขณะนะจนถึงเจ็ดขณะเห็นนีมยังเจ้ตัวเห็นเไี่ยัเห็นนะอันนี้เขาเรียกกี่ประเภทเจ็ดประเภทกี่วิถีนี่กี่วิถีเนี่ยยอสุรีกี่วิถีทีอติภูตารมวิถีชาวนาวเวลาไม่มีอาคารดู ก, กาผวางังนี่กี่วิถีฮะ ชาวนาวาร ะ, ะ, ะ, ะไม่มีอม่ตีตะวังีกี่วิถีชาววาระวาระไม่มีอตีตะวังในแปดวิถีแปดวิถีเพราะที่มีอตีตะวังอีกเท่าไหร่เจ็ดวิถีใช่ไห ม, มที่มีนี่ที่ไม่มีอีกหนึ่ง<ม>ก็เป็นแปดวิธียังไงเมื่อกี้ถามว่ากี่วิถีบอกว่าแปดวิถี